ดูกานพิสูุทั้งหลายและพิสูุนทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ที่แจ้งไม่ที่รับไม่ใช่ว่าไปแหมไปปิดห้องแล้วก็เจริญไม่ในหมายวามเ่าอย่างนั้นหมายควาว่าเจริญทั้งต่อหน้าและรับหลังนะนะ เจริญเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเจริญเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเจริญเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนสะพรมัมจันทั้งหลายคือรูปผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์นั่นก็เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมก็เป็นสามข้อละข้อที่ต่อไปข้อสีดูกรพิสูจน์ทั้งหลายและพิสูจน์ทั้งหลายยังจะเป็นผู้บริโภคปัจจัยที่แบ่งปันกันโดยลาบ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 เพกษุทั้งหลายยังจักถึงความเป็นผู้เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรีด้วยทิฏฐิเห็นป่านนั้นทั้งต่อหน้าและลาบหลังเป็นทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ทั้งปวงของผู้ปฏิบัติตามนั้นตลอดการเพียงไรเพรกสูทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมนี้ได้ดูการเพศสูทั้งหลายก็อปิริหานิยธรรมหกประการเหล่านี้ถ้าที่อื่นเขาเรียก ว, ว่าสารานิยธรรมหกประการ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 มีทัศนคติเสมอกันว่าถ้าทุกคนดำรงอยู่ด้วยอปริหารนิยธรรมทั้งหกประการเหล่านี้คือทุกคนเนี่ยปฏิบัติอยู่ในอปริหานิยธรรมยกย่องชมเชยเห็นด้วยกับการปฏิบัติตามนี้ตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ชะนี้แหละก็ถือว่าเป็นหลักในการใช้ชีวิตสังคมเลยนะชีวิตของสังคมทั้งหลาย ถ้ามีการปฏิบัติอยู่ในอัปบริหานิยธรรมอยู่ในสังคมใดสังคมนั้นสังคมนั้นไม่เสื่อมแน่นอนอันนี้รับรองได้รับประกันได้เลยว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมแต่ที่มีความเสื่อมนี่ก็คือเนื่องจากขาดอัปบริหานิยธรรมหกประการซึ่งพระพิสูจ์ทั้งหลายที่ทะเลาะเบาแวงกันถึงในที่สุดถึงกระทําำทําให้อะไรนะสังแทบจะสังคเภทสังคราชี ความร้าวรานแห่งสง์หรือว่าหมู่สงทั้งหลายขาดความสมัครสมานสามัคคีปลองดองก็เนื่องจากว่าหกข้อนี้แหละขาดข้อใดข้อหนึ่งหรือมีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งหรือมีปัญหาหลายๆข้อก็เป็นที่มาแห่งความแตกแยกนะก็ดูนะว่าขาดเมตตากายกรรมต่อกันขาดเมตตาวาจีกรรมต่อกันขาดเมตตามนโนกรรมต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเรียกว่าแห่งแล้งกันดารเมตตาประกัน กันดาลเมตตาทั้งทางกายวาจาและใจเนี่ยนะใจที่แห้งแล้งบริพกได้ตัดใจมาก็แอบแอบซ่อนเร้นเนี่ยนะบกปิดปิดบังอีกฝ่ายหนึ่งมีมากนะอย่างที่มีโยมคนหนึ่งนะเขาเคยบวชพระเขาไปวัดแห่งหนึ่งเล่า ว, ว่าผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่หัวหน้าโต้เนี่ยนะหัวอาหารเต็มโต้ไปหมดเลย ส่วนไอ้พระที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยแทบไม่มีจะฉันเขาบงั้นไอ้ที่เดียวกันนั่นแหละมันอยู่ใกล้กันนั่นแหละมันก็บอกว่าพระยมอมคนนี้เขาบอกเขาน้อยใจเขาเกลียด ร, รูปนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาบกงั้นเพราะโทษฐานไม่แบ่งอาหารให้เขาฉันนั่นก็จะลืมว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีทานมากอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีฐานไม่มีรับประทานเป็นต้นเนี่ยแม่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความมันไส้มากเลยนะเขาบอกว่าเออเรื่องอย่างนี้ก็มีนยนะหรือก็มีอีกที่หนึ่ง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 พระพิษุทิ์พุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ใดที่มีการแตกแยกขาดความสมัครสมานสามคัคคีขาดการปรองดองกันเนี่ยนะตรวจดูเลยเนี่ยอยู่หนึ่งในหกนั่นแหละหนึ่งในหกข้อข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะบางทีก็ข้ อ, ขอสองก็สําคัญเหมือนกันเนี่ยนะบางช่างยุ่บางช่างแย่แย่ไปแย่มาก็เลยได้ทั้งหลายก๊กเลยอย่างเงี้ยนะแปลว่พาพวกสร้างความร้าวรานให้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 จากแผนถังทั้งหลายได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีความสมัคคีสมัครสมานปรองรองกันอยู่แล้วในคุณธรรมทั้งหข้อเนี่ยนะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมสาธารณโภคีมีศีลและทิฏฐิเสมอกันทั้งหกประการอันนี้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสมัครสมานสมัคมคีคและก็ปรองดองกัน คำอธิบายโดยลำดับในสารานิยธรรมหรืออภริหานิยธรรมในหน้า358บทว่าเมตตังกายกรรมมังเราเมตตากายกรรมเนี่ยนะหมายถึงกายกรรมที่ทําด้วยเมตตาจิตหรือว่ากายกรรมที่มีเมตตาจิตเป็นสมุธฐานเมตตาจิตนะก็บอกว่ากายนี่ก็เป็นเรื่องกายในชะกายนี่มีเมตตาเป็นสมุธฐานเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้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 เรื่องซักผ้าเรื่องย้อมผ้าเรื่องอดูแลปฎกัดกเช็ดถูที่อยู่ที่อาศัยท่านไม่สบายก็คอยดูแลอุปถัมภ์ทั้งหลายเนี่ยนะทำถ้าทําด้วยเมตตาเนี่ยนะมันก็กิริยาที่เราทําแบบไม่เสแสรนะ้งใชแต่ถ้าทําด้วยขาดเมตตามจะเป็นยังไงแบบอนะอย่างพรบนนะาาบางองค์เนี่ยนะบอกว่าไม่ต้องมาช่วยผมหรอกอนนะเพราะไม่ช่วยผมมีความสุขกว่าเยอะเนี่ยนะท่านมาช่วยผมกลายเดือดร้อนไปเลยเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายหนึ่งทําแบบ